ก็เห็นอย่างนั้นเพราะว่าโลกนี้มันกว้างนะอย่างรอบตัวเราก็360องศาแต่ว่าสายตาเราไม่ไมสามารถจะกวาดให้ครบ360องศาได้ ก็มองเห็นได้เพียงบางแง่บางมุมบางขรางเราก็ต้องรู้ว่าข้อจำกัดของมุมมองของเราถ้าเรารู้นะเราก็จะสามารถ มองไปให้ทั่วได้เพราะรู้ว่าที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มันเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวของความจริงไม่ยังมีความจริงอีกมากที่เรายัางไม่ได้มองไม่ใช่ว่าเรามองไม่เห็นแต่ว่าเราไม่ได้มองมันมีอยู่ แต่สิ่งที่เราสิ่งที่มีอยู่นั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเห็นได้ทุกเรื่องสิ่งที่ไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีมันมีแต่ไม่เห็นไปอ่านเรื่องราวของซิกโก้นะซิกโก้นี่พวกเรารู้จักกันดีนะ ตอนนี้ก็เป็นเป็นโค้ดนะทีมชาติก่อนหน้าที่เขาจะเป็นโค้ดนี่เ็เป็นนักเตะที่มีชื่อเป็นกัปตันทีมชาติไทยแล้วก็มีฝีมือมากหลังจากที่เขา รุ่งนะที่เมืองไทยก็ไปค้าแข่งนะที่เมืองนอกตัวหลังก็ทางสโมสรในอังกฤษนะก็ซื้อตัวไปก็เป็นข่าวใหญ่นะครับนักฟุตบอลไทยจะได้ไปเล่นในฟุตบอลลีกของอังกฤษนะซึ่งมันมีชื่อเสียงมากนะ ก็ก็ดีใจจะได้ได้เล่นบอลลีอันดับหนึ่งนะของอันดับต้นๆของโลกก็เป็นชื่อเสียงคาปาอูจังคนไทยด้วยแล้วเป็นความฝันของนักฟุตบอลไทยแต่พอไปถึงก็ได้เล่นเป็นได้เป็นตัวสำรอง เวลามีแข่งขันนัดได้กระตามเขาก็นั่งอยู่ในแถวที่นั่งตัวสำรองแล้วก็ไม่เคยได้เล่นไม่เคยได้ลงสนามเลยสักครั้งเดียวลงสนามชุดใหญ่นะตอนนั้นเขามีความทุกข์มากนะแล้วคุณบอลไม่ได้ลง ไม่ได้ลงสนามได้แต่นั่งดูเพื่อนเล่ น, นก็สึกเป็นทุกข์ว่ามันก็หนักมากความทุกข์มันเกิดการทุรนทุ ร, นทรายกระสับกระส่ายรู้สึกหนักหัวเนี่ยหนักหัวมันก็หนักจนหัวจะแตกเขาว่างก็อยู่ไม่เป็นสุขนะ รู้ก็รู้สึกว่าลมเหลวแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเขาก็ได้มาย้อนดูตัวเองเขาบอกโอ้มันที่จริงมันไม่มีอะไรเลยในช่วงนั้นมันไม่มีอะไรเลยจริงเลยเขาคิดมากไปเองเพอที่จริงนี่เขาได้เยอะมากนะตั้งแต่ว่าได้รถได้บ้านได้ภาษา ได้พัฒนาร่างกายได้เดินทางได้เปิดมุมมองใหม่ๆได้รู้จักคนมากมายแล้วก็ได้เห็นหลีกผูนะ้บันเหลีกนะที่มีสีสันที่สุดในโลกโได้เยอะไปหมดนะแต่ตอนนั้น ไม่ได้นึกอย่างนี้เลยหรือมองไม่เห็นเลยนะได้มามากมายแต่มองไม่เห็นพอตอนนั้นเนี่ยมันนึกแต่ว่าไม่ได้เล่นเห็นแต่ว่านึกแต่ว่าไม่ได้เล่นบอลไม่ได้ลงสนามมันทุกข์มากแล้วเสือเป็นความล้มเหลวอนี้มันก็น่าคิดนะว่าในเมื่อได้อะมามากมายในระหว่างนั้นเนี่ย ทำไมถึงมองไม่เห็นนะเพราะจิตมันปักอยู่แั่เรื่องว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นคิดแต่แค่นี้นึกแต่แค่นี้วนไปเวียนมาไม่ได้หลงสนามเห็แล้วก็ทุกข์เมื่อแล้แตเเ่เมื่อเมื่อเวลาผ่านไปนะมาดูแล้วมาดูพิจารณานะโอ้มันได้เยอะเลย คนเราอันนี้ก็เป็นตำมะชาติคนเรานาะคนมักจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่ได้ในสิ่งที่ได้นี่ก็เลยมองไม่เห็นเพราะว่าคนเราถ้าไปปักจิตปักใจอยู่เรื่องว่าไม่ได้ไม่ได้หรือสิ่งที่เสียไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งที่มีอยู่ได้หรือว่าสิ่งที่ได้มา ล้วผู้คนมีความทุกข์มากเขาเห็นนี้มองเห็นแต่สิ่งที่เสียหรือมองเห็นแต่สิ่งที่ยังไม่ได้จดจอ่อยแค่นั้นแหละในสิ่งที่ได้มาเยอะแยะมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนในปัจจุบันมากคนมองคนก็มีเยอะแยะแต่เขาก็มีความทุกข์ เขาไม่ได้มองเห็นสิ่งที่เขามีเขามองเห็นแต่สิ่งที่เขายังไม่มีมองอย่างแต่สิ่งที่เขายังไม่ได้ทั้งที่แม้เป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตสองเปอร์เซ็นของสิ่งที่เขาปรารถนาทีเก้าสิบแปดเปอร์ซน์นี้ก็ได้มาแล้วขาดยังขาดไปหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตเพราะแทนที่จะมีความสุข ก็กลับไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่ได้มันนี่นะมันเคยตอนที่ไปตอนที่ไปลังการมีมีวันหนึ่งเรียกตอนไทยทายแล้ว ก็จุดนุงหมายคือไปเมืองกัวนี่นะเมืองกัวเมืองกัวนี่เป็นเมืองอยู่ริมริมทะเลอยู่ใต้สุดของลังกาเรียกว่ามันเกือบจะใต้สุดไปโผลท่ที่เรียกว่าสัมผัสกับมาซูอินเดียเลย ตอนที่เดินทางก็เดินทางแต่เช้าก็คิดว่าเป็นเส้นทางสุดท้ายแล้วก็ก็เลยนั่งรถกันแบบหวานเย็นจอดโน่นจอดนี่หระยะทางก็ระยะทางก็ไม่กี่กิโลนะประมาณไม่ถึงสองร้อยกิโลแต่ว่าใช้เวลานี่หกเจ็ดชั่วโมงถนนก็ไม่ดีด้วย ตอนที่ใกล้ถึงเมืองกลัวนี่ก็ประมาณห้าหกโมงเย็นแล้วห้าโมงเย็นแล้วหกโมงเย็นขาที่นั่งรถอยู่ก็เห็นภาะที่ค่อยๆตกนะสวยมากแต่ว่าพอไปถึงเมืองกลัวถึงพบ ว, ว่ามันสามารถจะเห็น เราสามารถจะเห็นภาที่สวยกว่านั้นได้ถ้าว่าเราไปถึงก่อนผ้าที่ตกเพราะว่าพอไปเห็นแล้วโอ้มันเป็นหาที่กว้างแล้วก็ด้านที่ตวันตกคือด้านที่พระทิตตกเนี่ยมันเป็นมันมีแต่ทะเลเวิ้งว้างไปหมดถ้าไปถึงก่อนหนัน้นสักครึ่งชั่วโมงนี้ก็จะได้เห็นผ้าที่ตกที่สวยงามมาก มันไม่ตกทะเลมันตกมหาสมุทรนะถ้าที่ตกทะเลนี่ก็ธรรมดานะสหวนบ้านเราแต่ตกมหาสมุทรนี่มันมันอีกอีกเรื่องนึงเลยแล้วก็รอบข้างนี่ก็เป็นแต่หาดทรายกว้างไม่มีตึกก็ตึกเล็กๆนะเพราะนั้นมก็สามารถจะเห็นได้เต็มตาแบบพาโนรามาเลยแต่ว่าเราไม่เห็นมันซะแล้วเพราะว่ามันมืดแล้ว พอเนื่องที่เสุขเสียดายนะเสียดายว่าถ้าเรามาเร็วกว่านี้สักนิดเนี่ยมันก็ได้เห็นภาพที่ประทับใจพอเสียดายปุ๊บนี่มันก็นึกโทษเลยนะนึกโทษก ล, กลไกลมันน่าจะรู้นะว่าภาพที่ตกดินตรงนี้เนี่ยมันสวยมากแต่ไกลก็ไม่บอกเลยสักนิดเลยนะว่าให้รีบมานะ ก็กกลับพาคณะทัวร์หย่อนโน่นห ย, ย่อนนี่รวมทั้งช็อปปิ้งร้านชาด้วยก็โปรดเลยนะเกิดควาจะไม่พอใจแล้วก็ทั้งความสุขเสียดายภาพที่คงจะไม่ได้เห็นอีกคงจะเห็นได้ยากมากเพราะว่าไม่รู้จะมากลับมาที่เมืองกลวหรือเปล่า ให้ความขุนเคืองใจนีก่ก็ก็เกิดขึ้นนะตลอดช่วงเวลาที่ที่ในค่ำนั้นเนะ่ระหว่างที่เข้าที่พักนี่ก็ยังก็ยังรู้สึกเสียดายนะทั้งเสียดายแล้วก็แล้วก็ขุนขุนเคือง แต่สักพักนี่มองไปท้องฟ้าเนี่ยโอ้ฟ้ามันสวยมากเลยนะคืนเดือนมืดแล้วก็ดวงดาวก็เลยเย็บริยับมันเห็นเห็นท้องฟ้านี่เต็มเรียกว่าเต็มเต็มตาเลยแล้วตัวอาคาร ของโร ง, งแรมก็ <c oughs> ก็น่าสนใจนะเพราะว่าสถาันิกนี้เขาก็เก่งมากทำง่ายๆแต่ว่ามันให้ความรู้สึกบรรยากาศของเมืองกลัวซึ่งเป็นเมืองอารยนิคมเมื่อสักสี่ห้าร้อยปีก่อนสถาปนิกมีชื่อมากนะทั้งสุอชื่อโทนี่บาว่ามันด้วยเป็น ระดับโลกเลยเป็นคนเอเชียที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของสถาปนิกพอพอมองเห็นไอ้ความงามนี่ก็ไอ้สิ่งที่เราเสดดวงเสียดาดอะไรไปที่ไม่ได้เห็นภาทิตตกนี่มันมันก็หายไปเลยเนะ ก็มานดึงนะถ้าเกิดว่าเราโมแต่เสดเสดายนะไอสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนี่ก็คงจะไม่ได้เห็นไอของดีๆที่มันอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเลยนะก็โมแต่เสดายสิ่งที่ผ่านไปจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่อยู่ข้างหน้าไปเสดายอดีตจนมองข้ามปัจจุบันมองไม่เห็นปัจจุบัน ไอ้ตอนนั้นนี่ก็เลยนึกถึงคำพูดของฝรั่งคนหนึ่งบอกว่านยอย่าอย่ามัวเสียใจที่ถ้าที่ตกดินไปแล้วเพราะว่าน้ำตาแม่ทำให้มองเห็นดวงดาวลี้กระยับพลาเรือนโอ้พระมหาอุปมาที่ดีมาก หลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะเอาแต่เสียดายากับสิ่งอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่น่าเลยอย่างง้นอย่างนั้นอย่างตอนที่ตัวเองไปถึงหน้านกับมันก็มันก็มีความคิดไม่น่าเลยนะไม่น่าอ่อยอิงเลยอหรือว่าน่าจะอย่างง้นอย่างนี้เช่นกายก็น่าจะบอกอย่างนี้เป็นต้นพอ่อไมนคิดแบบนี้มันก็ยิ่งเกิดความเสียดายมากขึ้น คำว่าไม่น่าหรือน่าจะนี่ถ้ า, ามาใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนี่มันมันซ้ําเติมตัวเองนะมันลงโทษตัวเองนะเวลาที่เอามาใช้กับเหตุการณ์ดีๆที่มันผ่านไปแล้วไม่น่าเลยนะคนหลายคนก็รู้สึกผิดนะเกับเวลาเวลานึกถึง คำว่าไม่น่าเลยอย่างเช่นแม่นะที่ที่เคยเล่าแม่ที่เขาอนุญาตให้ลูกไปเรียนต่อที่อินเดียลูกอายุสิบห้าน่นะลูกไปเรียนต่อที่อินเดียไปได้ไม่กี่เดือนก็จมน้ําตายอุบัติเหตุแม่ก็โทษตัวเองว่าไม่น่าเลยไม่น่าอนุญาตให้ลูกไปเลยเราน่าจะห้ามลูกนะวันนั้นไม่ให้ลูกไปอ่ะไปเรียน พอมันมีความคิดว่าไม่น่าให้ลูกไปน่าจะหยุดน่าจะห้ามลูกเนี่ยโอ้โหมันก็เท่ากับว่าเรานี่กำลังมีส่วนในการทำให้ลูกตายก็จะโทษตัวเองแต่ถึงแม้กรณีที่มันเบาวกว่า น, นั้นนะอย่างเช่นเนี่ยไม่ใช่สูญเสียเลยเลยเพียงแต่ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นภาพที่สวยงามนี้มันก็ มันก็ทุกขึ้นมาได้คือแค่ไม่ได้เห็นนี่มันก็มันก็เยว่าเสียโอกาสแลวนะแต่ก็ยังซ้าเติมตัวเองนะด้วยการทำให้เสียใจเสียโอกาสมันก็พอแล้วมันก็มัน ก, นก็ก็เสียพออยู่แล้วนะก็ยังไปซ้ำเติมตัวเองทำให้เสียใจแล้วพอเสียใจนะมันก็เลยไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัส ไม่ได้ชื่นชมนกับดวงดาวท้องฟ้าหรือว่าทัศนียภาพที่สวยงามที่อยู่ข้างหน้าบางทีมันไม่ใช่ดวงตานี่ที่ทำให้มองไม่เห็นดวงดาวที่ริยประยักษ์นะแต่เป็นใจที่ไม่สามารถจะเปิดรับความสวยงามได้น้ำตาก็ไม่ได้ไหลแต่ใจมันไม่มันไม่เปิดรับเพรามันโมแต่นึกถึง นึกถึงพระาที่ตกนะเนี่ยก็นึกถึงก็เนี่ยแบบกรอยางซิโก้นี่ก็เป็นตัวอย่างคนจํานวนมากนะที่พอไม่ได้มองไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้อย่างที่ต้องการนั้นก็เลยจมอยู่กับเรื่องนั้นใจก็เลยไม่เปิดที่จะมองเห็นว่าโอ้ oh, มันเราได้อะไรดีๆเยอะเลยสิ่งที่ได้ก็เป็นรูปธรรมนะ มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมก็รถบ้านได้ภาษานามธรรมก็เช่นเราได้ประสบการณ์ได้ได้พัฒนาทักษะนี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่หมวแต่เศร้าไม่หมวแต่ขุนเครื่องนละที่ไม่ได้เล่นนะแต่เขาก็มองเออเขาก็เห็นตั้งแต่ต้นนะว่าเออฉันได้ ย, ยันยะันนะเขาคงจตักตวงเลยมากมายได้มากกว่า น, นั้น เป็นโอเคไม่ได้เล่นไม่ได้ลงสนามแต่ว่าเออเราก็ซึมซับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทักษะศึกษาเรียนรู้การการทำโค้ดของเขาการทำทีมของเขาก็คงจะได้ความรู้มากมายเอามาใช้กับทุกวันนี้ได้หมายความว่ า, าเขาไม่ใช่แต่เสียใจเนี่ยกับไอตอนที่ไม่ได้ลงสนามนี้ ก็าอาจจะเป็นโค้ดที่ดีกว่าตอนนี้ก็ได้เพราะว่าเขาได้เก็บเกี่ยวอะไรต่ออะไรเอามาใช้ในการในการทำทีมซึ่งขณะทำอยู่ขณะ น, นี้ซึ่งก็ทำได้ดีอยู่แล้วแต่อาจจะทำได้ดีมากขึ้นถ้าว่าตอนนั้นไม่หมแต่กลุ่มออกกลุ่มใจแต่ถือเป็นโอกาสที่ได้เก็บเกี่ยว ประสบการณ์ต่างๆมากมายแต่ก็ยังดีที่เ้ายังมองเห็นนะว่าเออไอตอนนั้นนี่เรายังได้อะไรมากมายแต่บางคนมองไม่เห็นผ่านไปแล้วหลายปีก็ยังมองไม่เห็นเอาแต่ ก, กุ้มบอกกุ้มใจเอาแต่โทษตัวเองว่าตัดสินใจผิดนะกูไม่น่าเลยโทษคนโน้นโทษคนนี้ว่าทำไมส่งเสริมยุโยงให้มามาเสียเวลาที่นี่นะที่อังกฤษ โดยที่ไม่ได้เลยเลยคนโดนหนนมากก็เป็นอย่างนี้นะคือผ่านไปหลายปีแล้วก็ยังมองไม่เห็นตัวเองได้อะไรก็มองแต่ว่าเสียเสียเสียแต่แล้วก็โทษตัวเองโทษคนนั่นคนนี้ยังมุมมองคนเราที่สําคัญมากนะเพราะว่าเวลาเรามองอะไรเนี่ยนะ ในแง่ายหนึ่งสิ่งที่เรามองมันก็ไปไปไปหล่อหลอมทัศนคติของเราเช่นมองเห็นแต่มองเห็นแต่ความล้มเหลวหรือว่ามองเห็นแต่ว่าสิ่งไม่ได้นูน่นไม่ได้นี้ก็จะรู้สึกว่ามันก็จะเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเกี่ยวกับตัวเองบ้างเกี่ยวกับโลกภายนอกบ้างไม่ว่าได้มันก็หล่อห ล, อ, ลอมทัศนคติขึ้นมา สิ่งที่เราเห็นด้วยตามก็ไปหล่อหลอมทัศนคติภายในใจเรื่องจะไม่ได้สิ่งที่เห็นด้วยตาแต่แต่สิ่งที่สิ่งที่จดจอ่อใส่ใจมันก็ไปหล่อหลอมทัศนคติภายในภายในหัวของเราขึ้นมาหรือภายในใจเราแล้วทัศนคตินั้นก็มีผลต่อมุมมองของเราเช่นเห็นถ้าเหรอเห็นแต่ว่าเห็นแต่ว่าตัวเองไม่ได้น้นไม่ได้นี้ ไม่ได้ลงสนามหรือไม่ได้สิ่งที่ต้องการแม้ว่าไอ้สิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ได้มามีเยอะแยะแต่มองไม่เห็ น, หนแต่สิ่งที่เรือไม่ได้มันก็จะไปสร้างทัศนคติในใจว่าฉันเป็นคนที่โชคไม่ดีทําอะไรก็ไม่เคยได้หรือไปไปสร้าง แต่ ป, ปุงแต่งทัศคติที่มองตัวในแง่ลบแล้วทัศคตินี้ก็ไปส่งผลต่อการมองเรามันก็มองเห็นแต่ลบแล้วก็มองเห็นคนอื่นลบด้วยนะไม่ได้เห็นตัวอย่างลบอย่างเดียวเห็นคนอื่นลบสิ่งที่เห็นก็ไปส่งผลต่อทัศนคติและทัศนคติก็ไปส่งผลต่อสิ่งที่มองเห็น อันนี้ถ้าพูดภ า, ศ า, ศาษาธรรมะก็เรียกว่าสังขารไปปัจจัยไปสู่วิญญาณสังขารสังขารในที่หมายก็ถึงว่าสิ่งปรุงแต่งในใจนนเช่นคนที่กลัวกลัวผีนะเห็นเห็นเงาวิบว้บ ก, ก็นึกว่าเป็นผีหรือว่าเห็นใบเห็นรากไม้ ก, ก็นึกว่าเป็นงูเนี่ยอันนี้เรียกว่า การเห็นมันผิดเพี้ยนไปเพราะว่ามันมีอารมณ์ปรุงแต่งอยู่ข้างในคือความกลัวหรือว่าคนที่สนใจสนใจเทคโนโลยีนะเวลาไปในห้องเนี่ยก็เห็นแต่ก็จดจอยอย่อยแ่จดจด่ออยู่นาฬิกาและคอมพิวเตอร์ มองไม่เห็นดอกไม้ที่วางไว้ในห้องส่วนคนที่เป็นชอบของสวยของงามมองไปในห้องก็เห็นแต่ดอกไม้แต่มองไม่เห็นคอมพิวเตอร์นาฬิกาหรือว่าอแสได้ยที่วางอยู่ใกล้ๆกันมันก่อนไปมันก่อนตอนที่อยู่สุประตูเนี่ยก็เห็นพระท่านพายเรือ ค่ะที่เราข้ามสะพานก็ถามว่ายเลยทําอะไ ร, รก็ว่ากำลังมาเกตมะกอกแม่ชีอยากได้มะกอกคือมันมีต้นมะกอกอยู่ริมริมริมสะพานนะพอผู้ชนนี้ก็เอดใจเพราะว่าตอนที่เดินผ่านเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเห็นแต่ต้นไม้ แต่ไม่เห็นลูกมะก อ, อกเลยพอเดินผ่านพอผ่านจุดนั้นอีกทีหนึ่งโอ้โหมะก อ, อกเต็มต้นเลยแต่มันเป็นสีเขียวมันสีเขียวกลืนไปกับไปกับต้นไม้แต่มันมันมีทั้งต้นเลยนะแต่ทั้งที่เราเดินผ่านทุกวนันทุกวนันวันเราสองสาครั้งเห็นแต่ต้นไม้นะแต่ไม่เห็นมะก อ, อกแต่แม่ชีนี่เขาเขาวัยอยู่แล้วนะ เพราะว่าทำครัวจริงๆเขาไม่ต้องสังเกตมากก็ได้เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นมะกรอรกูกมกรอกอยู่เยอะแยะแต่เราไม่เห็นนะเพราะว่ามันไม่มีเรียกว่า อ, อะไรไม่มีหัวทางนี้ถ้าคนที่เขามีสิ่งอะไรอยู่ข้างในเนี่ยก็จะเห็นเราก็จะมีผลส่งผลต่อสิ่งที่เขาสิ่งที่เขามอง คนที่สนใจเรื่องครัวเรื่องพวกเครื่องเรื่องทําครัวก็จะเห็นพวกผักพวกผลไม้ได้เร็วไอ้คนที่ไม่สนใจนะมันก็ไม่เห็นนะั่นนะทั้งที่เดินผ่านทุกวนันทุกวนันทุกวนันเห็นแต่ต้นไม้แต่ไม่เห็นปรกกออันนี้เรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยสู่วิญญาณแล้ววิญญาณก็ไปปรุงแต่งนะสังขารอีกทีหนึ่งเห็นอะไรก็ไปปรุงแต่งเช่นเห็นแต่ความล้มเหลวความผิดพลาดก็ไปปรุงแต่ง ท่าสักกะติมาไปปรุงแต่งอารมณ์ทำให้เห็นทํำให้รู้สึกเศร้าเสียใจรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วท่สักกติเป็นลบไอ้ท่าสกติเหล่านี้นก็ทําให้เราไม่สามารถจะเห็นความจริงได้รอบด้านรวมทั้งไมเห็นความจริงที่ลึกซึ้งที่มันซ่อนอยู่นยอย่างเช่นเนี่ยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะมันก็เป็นความจริงที่มาแสดงตัวตลอดเวลา แต่คนก็ไม่เห็นนะเพราะว่ามันมีทัศนคติที่บดบังเอาไว้ก็คือไปเห็นว่าสี่งปูมันเที่ยงมันมีตัวมีตนมองเห็นอะไรก็มองเห็นลักษณะที่มันแช่นิ่งการมองอะไรที่มันเห็นความนิ่งเห็นแต่หรืว่าเสียงปูมันก็นิ่งๆของมันนั่นแนหะเช่นเสาหลังคาพื้น มันก็เปลี่นของมันอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับบางทีเราเห็นเข็มนาฬิกานะเข็มเข็มสันม้นก็เห็นมันนิ่งอยู่วนะั้นนยเราเคิดว่ามันนิ่งจริงมันก็ไม่นิ่งนะมันก็เคลื่อนตลอดเวลาแต่เราเราอันนี้เราสังเกตได้เมื่อเวลาผ่านไปแต่ ม, มีสิ่งหลายสิ่งที่เราไม่เห็นนะความแปรเปลี่ยนของมัน ทุกขังเหมือนกันนะทุกเนี่ยมาแสดงตัวตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะว่าเวลาปวดเวลาเมื่อยทีไรเราก็ปีเรียบทปีเปรียบทมันก็หายปวดหายเมื่อยพอปวดเมื่อยมายก็ก็พลิกตัวพลิกขามันก็ไม่เห็นทุกยังการปฏิบัติธรรมในหลายสำนักนี่ เขาต้องเขาจะฝึกให้เขาจะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องคลิกตัวไม่ต้องขยับแข้งขยับขานัน่งอยู่งั้นเหละเพื่อได้เห็นเห็นทุกจริงๆเห็นทุกชัดๆนะว่าสังขารเป็นทุกแต่แม้กระันนั้นเนี่ยพอพอเลิกนั่งนะให้ความความคิดเดิมๆกกลับมานะว่าให้ทุกอย่างนะ มันเป็นสุขหรือว่ามองเห็นแต่ความสุขว่าเป็นนัตตาก็แสดงตัวตลอดเวลาแต่ว่าไอ้คางที่เห็นอะไรเป็นเป็นตัวเป็นตนเป็นหมดเนี่ยมันก็ทําให้ไม่สามารถจะมองเห็นอนัตตาได้ก็ดูมันเห็นเป็นตุ้นเป็นก้อนเห็นทุกอย่างมันมันเป็นส่วนเป็น ชิ้นเป็นอันแยกจากกันนาะยกนายขอรถบ้านอาสน ะ, ะมันก็เป็นสส่วนเป็นคนละส่ว น, นคลวนคละส่วนกันมันจะเป็นอนัตตาได้ยังไงก็เห็นว่ามันมีอยู่ทัศนคะติที่มัน ที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันทำให้มองเห็นไตรลักษณ์ได้ยากมากการภาวนาหรือการปฏิบัติเนี่ยก็คือการทำให้ใจเราเนี่ยมันได้เห็นความจริงเห็นความจริงก็คือการเห็นของจริงนั่นแหละเห็นความจริงได้ต้องเกิดจากการเห็นของจริงก่อนเห็นของจริงเลยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันก็คือดูกายดูใจ จะเห็นได้มันต้องดูนะแล้วมาดูก็จะเห็นเมื่อเห็นก็จะรู้รู้ในในฐานวัตถศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการคิดเอาแต่มันเกิดเกิดจากการที่ได้เห็นของจริงเห็นของจริงคือเห็นกายตัดใจนั่นแหละถ้าเป็นนิมิตแสงสีอะไรก็ไม่ห้องสนใจเพราะมันไม่ใช่ของจริง เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์เมื่อมันเห็นเห็นเห็นก็นนจะเห็นทีแรกก็ไม่เข้าไปเป็นก่อนพอถ้าเข้าไปเป็ น, ลนแล้วก็จะไม่เห็นเนีย อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าไปเป็นผู้เสพผูพ้สวยอารมณ์นั้นก็จะไม่เห็นอารมณ์นั้นความกล <est> ัวเกิดขึ้นเป็นผู้กลัวความ เศ้าเกิดขึ้นเป็นผู้เศร้าความปวดเกิดขึ้นเป็นผู้ปวดนี่มันก็จะไม่เห็นความเศร้าความปวดความโกรธนะต้องออกมาต้องถอนจิตออกมาจากการเป็นผู้เป็นพอมันเห็นนะพอมันเห็นก็เห็นไป น, น, นานๆเข้าก็จะเห็นว่าอ๋อมันเกิดจากอะไร อันที่แรกเห็นการเกิดการดับก่อนเห็นการเกิดเห็นการเกิดการดับของมันตอนหลังก็จะเห็นว่าอ๋อที่มันเกิดเพราะมีเหตุและที่มันดับไปก็เพราะเหตุนั้นดับไปมันจะเห็นละเอียดละอ้อมากขึ้นซึ่งการเห็นอย่างเงี้ยที่จะนำไปสู่การเห็นความจริงเรื่องไตรลักษณ์เห็นของจริงก่อนแล้วค่อยไปจึงค่อยเห็นความจริง ม า, มาก็ต้องพอมันเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันมีอยู่ <c oughs> นะความเศร้ามีอยู่ความโกรธมีอยู่ในใจหรือเกิดขึ้นในใจแต่ก่อนพอมันเกิดขึ้นไม่รู้นะแต่พอเราปฏิบัติเจลสติมากเข้ามาเข้ามันก็รู้พอมันเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วก็ไม่ขับเป็น แต่ที่จริงถ้าเข้าไปเป็นก็ไม่รู้นะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันมีอยู่เพราะโดนมันกินไปแล้วเรียกว่าหลงไปแล้วตอนนั้นถ้าไปเป็นหรือไปสวยอารมณ์นี่ก็หลงแล้วเป็นผู้โกรธเป็นผู้เศร้านะี่ก็ไม่ก็ไม่รู้มันมีความโกรธไม่มีความเศร้าอยู่ยงการเจรดสติเนี่ยมันคือการที่ฝึกใจใหเห็นความจริง เริ่มจะเห็นของจริงของกายและใจเมื่อมันเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อมันดับไปก็รู้ว่ามันดับไปตอนหลังก็รู้ว่าโอมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันดับไปเพราะอะไรอันนี้ก็มันก็จะเห็นทั้งอนิจจ์แล้วก็เห็นถึงทุกขังด้วยก็คือว่ามัน มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้มันต้องเสื่อมต้องดับไปและการที่มันมีเหตุการที่มันเกิดจากเหตุจะเกิดจากปัจจัยและดับไปเพราะเหตุเพราะปัจจัยก็แสดงว่ามันไม่มีตัวตวนของมันเอ ง, อางการเห็นไง เ, เห็นเห็นไปเรื่อยๆกได้เห็นจากการเห็นของจริงก็เห็นความจริงเห็นไตรลักษณ์เห็นธรรมาชาติของมัน และตรงนี้หละที่มันจะทำให้ให้มุมมองที่มีต่อโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปให้ความคิดเดิมๆว่าทุกอย่างเป็นนิจจังทุกสุขขังอัตตาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปการเห็นความจริงที่เกิดของกายและใจก็ทำให้ทัสนกติเปลี่ยนไปจากที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นสมมทิทิจากที่เคยหลงก็กลายเป็นรู้ จากที่เป็นอวิชาก็เป็นวิชาหรือปัญญาคนเรานะบ่อยครั้งก็ถูกหลอกไปด้วยถูกหลอกไปด้วยสมมุตินะสมมุตินี่มันก็หลอกเราสมมุตินี่ก็ก็คือชื่อนั่นแหละอย่างนี้เขาพูดว่าเนี่ยมอง มองเสื้อไม่เห็นผ้ามองตุ๊กตาไม่เห็นอย่างตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตายางคือตุ๊กตาพลาสติกนะเสื้อนี่มันสมมุตินะพอเรามองเห็นพอเราติดสมมุติเราไม่เห็นผ้าผ้าคือสิ่งที่มันก็คือวัตถุ ด, ดีที่ใช้ทำเสื้อนั่นแหละแต่พอเราติดอยู่กับความเป็นเสื้อเราก็มองไม่เห็นผ้า พอเรามองตุ๊กตาเราติกับสมมุติมันเป็นตุ๊กตาเราก็ไม่เห็นอย่างข้างที่อย่างนึงก็มันก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าตตาเรามันก็ผ้าเนี่ก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าตตาเราแต่ไม่เห็นผ้ามัเห็นแต่เสือ้ออย่างปรากฏอยู่ต่อหน้าเราแต่ไม่เห็นเพราะมันเห็นแต่ตุ๊กตา S ตุ๊กตานี่ยคือสมมุติที่ใจเราไปยอมรับมันอยู่ในหัวเราแต่หัวเรามันฟันองอยู่ในหัวเราในสมมุติเนี่ย เพราะนั้นพอก็ เ, เรียกว่าปรุงแต่งสังขารเพะนั้นพอมองเห็นเนี่ยพอมองเนี่ยมันก็มันก็เห็นแต่เสือ้อไม่เห็นผ้าวิญญาณคือการรับรู้เนี่ยมันไม่สามารถจะรับรู้ส่วนที่เป็นผ้าได้มันเห็นแต่เสือ้อวิญญาณเวลาดูตุ๊กตาก็เห็นแต่ตุ๊กตาแต่มันไม่เห็นมันไม่เห็นอย่างทั้งที่มันอยู่ต่อหน้าเรา มองเห็นคนก็ไม่เห็นไม่เห็นรูปเห็นเป็นคนเห็นเป็นในายกรนาคอด์แต่ไม่ได้เห็นเป็นรูปไม่ต้องพูดถึงนาำนะซึ่งมันเป็นนามธรรมมองคนก็เห็นแต่คนและไม่เห็นรูปหรือว่ามองคนไม่เห็นหนังก็ได้นะมองเสื้อไม่เห็นผ้ามอตุ๊กตาไม่เห็นอย่างมองคนก็ไม่เห็นรูปไม่เห็นหนังหนังก็คือรูปนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของรูป ความจริงก็ปรากฏอยู่ตอนหน้าแต่มองไม่เห็นเพราะว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันมันไปไปติดอยู่บางสิ่งกับบางสิ่งบางอย่างเหมือนอย่างที่ซิกโก้ไปติดอยู่ว่าไม่เห็นนะไม่ได้เล่นไม่ได้ลงสนามก็เลยไม่เห็นว่าพวกเราได้เลยต้องเยอะแยะถ้าใจาเราไปติดอยู่อะไรสักอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่เห็นสิ่งอื่นถ้าติดอยู่กับสมมุตินะก็ไม่เห็นวิมุตนะ วิมุตต์คือปรมามะนั่นแหละสมมุติกับวิมุตต์หรือสมมุติกับปรมามะอยู่ด้วยกันเหมือนกับอะไรเหมือนกับผลไม้นะ่ะหลวงพ่อช้างเปลียบมาเป็นผลไม้เช่นมะพร้าวเนี่ยนะมันก็มีเปลือกแต่ข้างในเปลือกเนี่ยก็คือนะคือน้ําคือคือเนื้อนะ น้ำกับเนื้อนี่มันก็มาพร้อมกับเปลือก น, นะแต่ว่าเปลือกมันก็บังไม่ให้เห็นเนื้อไม่หเห็นน้ําข้างในก็ถ้าก็บอเนี่ยวิมุตต์นึ่นก็สมมุติมันก็ปิดตวิมุตต์เอาไว้แต่มันมาด้วยกันเสื้อผ้ามันก็ปิดบงัเเดบงเสื้อก็ปิดบังผ้าตุ๊กตาก็ปิดบังอย่างคนก็ปิดบังรูปเนี่ย ที่จริงมันไม่ไปิดเราแต่ะรามองไม่เห็นหนึงเพราะเราไปจดจ่ออยู่แต่เสื้อหมองจิตจออยู่กับตุ๊กตานะเพราะไปะติดสมมุติเนี่ยเสื้อคือสมมติคือเสื้อสมมุติคือตุ๊กตาสมมติคือคนในกอดในขอมันก็เลยไม่เห็นปรามัดคือความจริงขั้นสูงสุดจริงๆแล้วความจริงก็สแสดงตัวตลอดเวลาที่ว่าใจเราจะเปิดไหม เราไปมองที่มุมไหนหรือไปมองที่ตรงไหนไอ้ตรงนั่นแหละสิ่งที่มองมันก็เป็นตัวสกัดกันไม่ให้เราเห็นความจริงได้